ตั้งใจในการที่ได้เดินทางมาตามกําหนดเวลาที่เดลาพรรษาไปบําเพ็ญศาสนกิจในภาคกลาง เมื่อมาเห็นบริษัทพร้อมเพียงสามัคคีกันตั้งอยู่ในข้อวัตปฏิบัติไม่ประมาทก็ดีใจก็คอยพากันตั้งยู่ด้วความไม่ประมาท เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญกุศลในบำเพ็ญมาแต่หนนหลังจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์คิดให้ดีแล้วแต่ก่อนเราก็มีจิตเรื่องใสในพระพุทธศาสนา มาเอ่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาบุญกุศลส่งให้เกิดมาในชาตินี้จึงได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนีน้เมื่อมาพบแล้วได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ มีศรัทธาเลื่อมใสเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ไปได้จริงๆเรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้ก็จึงได้นับถือกันยอมสละความถุขชั่วคราว มาปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจา้าผู้ที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้นั้นมันต้องสละความสุขชั่วคราวเสียก่อนจึงปฏิบัติตามได้ถ้ายังติดความสุขในการกินการนอนในการเพลิดเพลินในการมคุณอยู่มากมาย เช่นนี้ก็ย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของผู้ศเจ้าได้ผู้ที่มาปฏิบัติตามคำสอนผู้ศรีเจ้าได้ก็เพราะมาเห็นว่าความสุขชั่วคราวมันเป็นเหยื่อร่อให้ติดอยู่ในทุกข์มันไม่ใช่ให้มีความสุขสม่าเสมอไป ตลอดหนาะไม่ได้มันเป็นความสุขชั่วแล่นชั่วช้างพับผูงูแอบลิ้นแต่ความทุกข์ที่มันมีมากมายพิจารณาดูให้มันเห็นความสุขเล็กน้อยนั่นะเมื่อความทุกข์ส่วนใหญ่บังเกิดขึ้นแล้วมันก็ลบล้าง ความสุขเล็กน้อยอันนั้นไปหมดเช่นอย่างร่างกายนี่เมื่อเวลามันเป็นปกติมันก็กินได้นอนหลับดีอันนี้นะ่เมื่อเวลาเราใครใครเจ็ บ, บดเปียเบียนเข้ากินก็ไม่ได้เต็มที่นอนก็ไม่หลับเต็มที่ หลับหลับตื่นตื่ น, นร่างกายก็อ่อนเพลียจิตใจก็ไม่ล่าเริงบันเทิงเหมือนแต่ก่อนเมื่อโรคไคเบียดเบียนบีบคั้นเอาแล้วความสุขชั่วคราวมันหายหน้าไปไหนหมดนองคิดดูให้ดีแล้วจะไป ชื่นชมยินดีแต่เวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยินดีในความสุขอันนั้นโดยส่วนเดียวไม่เฉลียวถึงความไม่เที่ยงของความสุขดังกล่าวมานั้นนั่นแหละมันทำให้จิตใจลงละเริงไปตามความสุขชั่วคราวแล้วก็มีอก ไม่มีโอกาสที่จะมาปฏิบัติธรรมได้เพราะกลัวแต่ทุกข์ามาจะมาอดนอนพร อ, อาหารนั่งฟังธรรมนั่งภาวนาสมาธิให้มากมากเลยก็กลัวทุกข์กลัวตายนี่ลักษณะของบุคคล ผู้ติดความสุขชั่วคราวยิ่งผู้มั่งมีที่สุขแล้วก็ยิ่งสร้างบ้านใหญ่โตโอโทงอยู่มีเฟอร์นิเจอร์มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้เยอะแยะผูกเบาะมอนอ่อนนุ่มนิ่มมยงก็ไม่กัด ลิ้นก็ไม่ตอมร้อนมาก็เปิดแอร์เสียหนาวมาก็ปิดประตูหน้าต่างเอาผ้ามาหม่มอุ่นสบายดีนี่ผู้ใดไม่รู้ความจริงของชีวิตก็หลงไปติดอยู่ในความสุขเหล่านั้นจนว่าลืมความทุกข์ ที่จะบังเกิดต่อชีวิตร่างกายอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เฉลียวใจว่ามันจะมีความทุกเป็นศัตรูต่อไปพอความทุกขมันเกิดขึ้นก็เดือดร้อนแล้ววันนี้นะเพราะว่าไม่ได้เคยคิดมาแต่ก่อนไม่ได้เตรียมตัวมาแต่ก่อนจ เ, เมื่อความทุก บางเกิดขึ้นก็ตกใจตื่นอย่างแรงอันนี้แนละขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีชีวิตของคนเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัตาสตงสารอันนี้ก็เพราะมันติดความถูกชั่วคราวนี้เองจงพากันพิจารณาให้มันเห็นโดยแจมแจ้ง อย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องตื้นๆเรื่องอย่างนี้เนะี่ยไโทรร้องพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปดูเถิดเราจะเห็นว่าจิตที่มันคล้องอยู่ในโลกนี้มันก็คล้องอยู่ในความสุขชั่วคราวนี้เองเองนไหนท่านผู้ เห็นโทษเห็นภัยในสงสารแล้วท่านก็นย่อมเห็นโทษแห่งความสุขชั่วคราวพระพุทธเจ้าพราะองค์เป็นพระมหากษัตย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงสวยสุขสมบัติอยู่ในกบิณฑพนครไม่เดือดร้อนอะไรเลย มีผู้รับใช้มีผู้อำนวยความสะดวกสะดวกสบายให้นานับประการเพราะองค์มีพระปัญญายาณอย่างรู้ว่านี่เป็นความสุขชั่วคราวป้องกันทุกข์ไม่ได้เลยในเมื่อความแก่ความเจ็บความตายมาถึงแล้วความสุขเานี้ก็หายหน้าไปหมด บุคคลมาหลงไหลติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี้แล้วจึงได้ประสบความทุกข์อย่างมากมายพระองค์ดำดิอย่างนี้แล้วจึงได้มองเห็นว่าการสละเสียซึ่งความสุขชั่วคราวนี้แล้วไปสู่สถานที่สงบส ง, งัด บำเพ็ญทางทจิตใจน้อมใจลงสู่ความสงบไม่ยินดีในเมื่อประสบกับความสุขความสบายกายสบายใจไม่ยินร้ายในเมื่อได้ประสบกับความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ไม่แสดงอาการทุรนทุราย เสียใจเศร้าโศกไปตามความไม่เที่ยงของร่างกายนั้นพระองค์พยายามบำเพ็ญทางกิตใจสอนใจด้วยพระปัญญาอย่างนี้เสมอเสมอไปดังนั้น พระองค์จึงสละความเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เที่ยวจาริกนอนกลางดินฉันกลางหญ้ามีร่มไม้เป็นที่อาศัยกันแดดมีถ้ำเป็นที่อาศัยกันลมกันลมกันฝนพราะตอนที่พระองค์เจ้าสล็จออกปวดครั้งแรกนั้น คนนั้งหลายก็ย่อมมีความรู้สึกในพระองค์ว่าเหมือนนักปวชทั่วไปสมัยนั้นเพราะสมัยนั้นมีนักปวดอยู่หลายที่เหมือนกันอืมแล้วก็พระองค์ก็ยังไม่ได้แสดงธรรมให้ใครได้รู้ได้เห็นธรรมดังนั้นจึงไม่มีใครตื่นเส้น ก็เป็นผู้วิเศษวิโสอะไรก็เป็นนักบวดธรรมดาอย่างนั้นแหละพระองค์ก็ยอมเสียสละความสุขอันเป็นของกษัตั์นันใดแล้วก็ไปสู้ทุกข์สู้ยากลำบากจากความเป็นนักบวด เพราะความเป็นอาวุนี่ทําตัวเป็นคนผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องด้วยการครองเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยองศาขนาญาติมิตรสหายห้อมร้องบริษัทบริวารอะไรไม่เกาะเกี่ยวทั้งนั้นเลยเพราะพระ อ, องค์พิจารณาเห็นแล้วว่า ความสุขน่ากล่าวมานั้นนะไม่เป็นไปเพื่อความพน้นทุกข์มันสุขชั่วคราวท่านเด ว, วาอามิสสุขสุขอิงอาศัยร่างกายหรืออาศัยวัตถุภายนอกเช่นอาหารผ้าหนุงผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาต่างๆ โมนีท่านเรียก ว, ว่าอามิตตุกสุขอาัยวัตถุสิ่งของเมื่อร่างกายมันวิบัติแปรปวนไปแล้วแม้จะมีอาหารดีๆรับประทานมันก็ไม่อร่อยเหมือนเดิมมีผ้านุ่งผ้าหม่มเนื้อนิ่มเนื้อละเอียดสีสันแวววายยังไมงมานุกมาห่ม มันก็ไม่สบายเมื่อร่างกายอันนี้มันวิบัติแปลปรวนไปแล้วมีที่อยู่ที่อาศัยโออาอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เป็นที่สบายเลยอืมอย่างนี้นะโรคภัยบางอย่างถึงแม้จะมียาวิเศษอะไรมารับประทานมารักษา มีหมอผู้รู้เปเรื่องโรคนี่มากมายอย่างไรก็ตามมันก็หายไม่ได้โรคอันนี้นาะมันก็ไม่หายมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันมแล้วอย่างนี้เราจะไปอาศัยความสุขกับร่างกายนี่อย่างจริงจังได้ที่ไหนล่ะ ลองคิดดูให้ดีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพิจารณาเห็นอย่างนี้แ้วพระองค์จึงได้ปรงจึงได้วางลงหัดปรงหัดวางลงไปถ้าไม่หัดมันก็ไม่ปรงไม่วางให้เข้าใจการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ไม่รู้อำนาจแกความอยากความปรารถนาอันมันจะเป็นไปในทางร่วงสินร่วงธรรมยอมสระชีวิตเพื่อสินอันนี้ก็เป็นการปรงวางสังขาร น, นามลูกอันนี้ขั้นหนึ่งถ้าไม่ยอมสระความสุขเล็กน้อยอย่างว่านั้น ก็รักษาสินให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยอย่างนี้เลยไอ้สินของผู้ประพฤติพรหมจรรย์มันก็เข้มงวดกว่าผู้ครองเรือนก็เรารู้ๆกันอยู่แล้วเนี่ยสินของผู้ประพฤติพรมจันย์ต้องมีความสารวมกายวาจาใจตาหูจมูกเลีนกายใจ ไม่ให้ยินดีในเมื่อเวลาได้ประสบอารมณ์ที่น่ายินดีไม่ให้ยินร้ายในเมื่อได้ประสบกับอารมณ์ที่น่ายินร้ายอืมฝึกจิตใจท่องชนไปอย่างนี้จึงเรียกว่าผู้ประพฤตโทมจันถ้าหากว่าผู้ใดไม่ฝึกใจไม่น้อมใจไปอย่างนี้ เพียงแต่มีเครื่องนุ่งหม่มเครื่องสีเหลืองบ้างสีขาวบ้างเท่านี้เรียก ว, ว่าตนประพฤติพรหมจรรย์ยังกล่าวว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์เต็มที่ไม่ได้เลยขอให้เข้าใจต้องเป็นผู้ฝึกจิตใจของตน ให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อติงแวดล้อมต่างๆทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งในปัจจุบันก็ต้องพิจารณาจิตตัวเองว่ามันเป็นกลางอยู่หรือไม่เดี๋ยวนี้ หรือมันเอียงไปกับสิ่งใดๆไม่ไม่มีใครที่จะรู้ให้ได้มีแต่ตัวเองเท่านั้นเนียรู้เรื่องของตัวเองด้วยตนเองดังนั้นอย่าพากันนอนหลับทับปิดอยู่เฉยๆให้เพ่งดูดวงจิตคือความรู้ สึกนึกคิดอันนี้เสมอเสมอไปว่าในในขณะนี้จิตตั้งอยู่อย่างไรมีความรู้ความเห็นอยู่อย่างไรนี่ต้องสังเกตจิตใจตัวเองให้ได้เมื่อรู้ว่าจิตใจต น, นมันยังกอนไหวไปตามสิ่งแวดล้อม ต่างๆทังภายนอกภายในตั้งที่กล่าวมาแล้วอยู่แต่ไม่มากแต่มีความวันไหวไปโยอย่างนี้ก็รู้เพราะบางทีนะจิตวันไหวอย่างละเอียดแทบจะไม่รู้ก็มีเรนี้แหละบางค น, น่ะวันไหวเอาอย่างจริงจัง จนเดือดร้อนใจจึงรู้ตัวจากนั้นก็มีถ้าวันไหวเพียงนิดหน่อยไม่รู้ตัวนึกว่าตนสบายสบายอยู่อันนั้นหละมันเป็นชนวนให้เกิดความวันไหวอย่างมากขึ้นในใจถ้าไม่รู้เท่านะเพราะนั้นเราต้องตามรู้ กิริยาอาการของจิตอยู่ตลอดเวลามันมันจึงรู้ได้ก็จิตตนนั่นวนไวยกับเรื่องอะไรหรือไม่วนไวยมันก็รู้ได้อืมนิดให้พากันสำเนียกให้ดีเพราะกิเลสมันมีทั้งสามประเภทอย่างหยาบหนึ่งอย่างกลางหนึ่งแล้วก็อย่างละเอียดหนึ่ง อย่างนี้เนี่ยเราต้องรู้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องพิสูตร์จิตใจตัวเองให้ได้ว่ากิเลสยังหยาบตนเองละมันได้แล้วหรือยังกิเลสยำหยอย่างหยาบอย่างที่เคยพูดมาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วว่า ราคะคองกำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าถ้าเป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ภาคเพียรละราคะคองกำหนัดยินดีให้เบาบางลงก็เดือดร้อนอยู่ไม่ได้ต้องสึกออกไปอย่างนี้ เ, เรียกว่ายังงาบอันนี้นะเป็นงั้งนโทษะความโกรธ ความหงุดหงิดในจิตใจความไม่พอใจต่อบุคคลหรือว่าสัตว์หรือสิ่งของต่างๆเนี่ยมันคนรู้ตัวบางคนทำงานอะไรไปสมมติว่าจักสาร เครื่องใช้ไม้สอยด้วยไม้ไผ่อะไรางี้ทำไปทำไปมันไม่ดีพอตามความประสงค์ของตนโกรธขึ้นมาแล้วก็เ อ, อม า, ามีดพากวันทิ้งไปเลยอย่างนี้แหละนั่นเรียกว่าโกรธให้สิ่งของที่จริงแล้วสิ่งของเหล่านั้นมันไม่ว่าอะไรอ่ะมันไม่ว่าอะไร ไอ้ตัวเองให้โกรธให้ตัวเองนี่แหละมากกว่าตรเนี้ไม่ได้โกรธให้คนอื่นก็โกรธให้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรมันไม่ได้ดังความประสงค์ก็โกรธให้ตัวเองอย่างนี้ก็มีนี่แหละมันต้องตามรู้ตามเห็นให้ทุกแง่ทุกมุมไอ้เรื่องความโกรธก็ดี เมอเช่นนั้นนี่ยมันก็มันก็จะละมันไม่ได้ละไปได้แต่เพียงบางสิ่งบางอย่างบางคนไม่รู้ตัวนะทนโกรธให้สิ่งของหรือโกรธให้การ ง, งานที่ทำอะไรไม่สำเร็จต้องโกรธขึ้นมางี้นึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือเเมื่อเป็นเช่นนี้มันเกิดคือว่ามันยัง รากเง่าแห่งความโกรธมันยังมีอยู่ยึดไว้อยู่เมื่อมันโกรธให้ตัวเองหรือวัตถุสิ่งของได้มันก็โกรธให้คนอื่นได้อยู่เช่นเดียวกันเปรียงนั้นว่าอย่าว่าแต่ส่วนภายนอกเลยใ่ภายในภาวนาลงไปถ้าใจมันไม่ค่อยสงบได้ออ น้อมใจลงสู่ความสงบนอยนในอดอนขึ้นมาแบบพลิกไปผู้มีความโกรธอยู่ในใจมันก็โกรธให้ตัวเองขึ้นมาเอ๊ะทำไมเนี่ยมันถึงเป็นอย่างนี้เกิดชุนเฉียวในใจขึ้นมาอย่างนี้แหละเราต้องรู้่ะ ไอ้กิเลสเหล่านี้นะมันติดสอยห้อยตามจิตใจไปทุกเมื่อทุกเวลานาทีฉะนั้นทางที่ดีเราก็ไม่ต้องโกรธเอาภาวนาลงไปมันไม่สงบกระส่งภาคเพี้ยนเอาไม่สงบระยะนี้ต่อไปมันก็คงสงบแน่คงไม่เหลือวิสัย เมื่อเราชอบความสงบอยู่แล้วไอ้ความผุ้งสร้างความวุ่นวายเราไม่ชอบเพราะมันเป็นทุกข์ข้อสาคัญมีสองนี่อ่เราชอบความสงบว่าเป็นความสุขดังนั้นเมื่อเราต้องการความสุขอย่างนี้เราก็ต้องพยายามทําใจให้สงบลงให้ได้มันจึงจะพบกับความสุขที่แท้จริง ความสุขไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งของใดๆอย่างนั้นอาศัยความเป็นผู้มีสติประคองจิตเตือนจิตให้ละอารมณ์ต่างๆทั้งทั ง, ทงอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งอยู่ในปัจจุบัน ก็อสอนให้จิตละคงวางลงอย่างนี้นะมันถึงจะเป็นสมาธิได้บางคนก็ไปติดอยู่เรื่องอดิตที่ลงมาแล้วพอจิตใจจะรวมลงมันก็นึกถึงเรื่องอดีตอันใดอันหนึ่งมาแล้วจิตก็ถอนอบางทีมันก็ติดอยู่เรื่องอนาคต พอกายจิตมันจะรวมลงมันก็ไปนึกถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึง อ, อย่างนี้แหละมันจิตใจมันติดมันคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆมันจึงสงบลงไม่ได้ต้องรู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็มีสติห้ามจิตมาให้วิตกไปในอารมณ์อันเป็นอดีต ที่ร่วงมาแล้วพราะทิ่งใดร่วงมาแล้วมันก็มันก็ดับไปแล้วมันมันเมื่อหาได้เกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปไหมเพราะว่ามันร่วงมาแล้วอืมแต่จิตนี้มันจะห่วงมันจะยิดถือเอาเรื่องอดีตนั่นมาวิตกวิจารอยู่ถ้าจิตไม่วิตกถึงเรื่องอดีตเรื่องอดีตมันก็ดับไปแล้ว ตะดีจะชั่วอย่างไงมันก็ดับไปหมดแล้วมันก็ไม่ได้มารบควรจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเรื่องอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงเมื่อเรื่องยังไม่ได้ไม่ถึงแล้วเราจะไปคาดการล่วงหน้าไปว่าควันพุ่งนี้เราจะทำอันนั้นจะทำอันนี้เราจะไปที่โน้นไปที่นี้อะไรต่างหมูนี้นะมัน มันหาได้เป็นความจริงร้อยเปอร์เนไหมเพราะวันรุ่งขึ้นมาแล้วมันอาจเปลี่ยนใจไปทางอื่นเสียทางนี้คิดไว้แต่กลางคืนนั่นนะมันไม่ไปก็กมีอย่างนี้แหละหรือว่าพรุ่งนี้เราจะต้องทำอันนั้นทำอันนี้ถ้าพอรุ่งขึ้นมาแล้วมันก็เกิดมีเหตุให้ทำอย่างนั้นไม่ได้เสีย มันก็ไปทำอย่างอื่นไปแต่ช น, นี้มันไม่แน่นอนเลยเรื่องอนาคตแล้วก็ต้องตามสอนจิตนี้ให้มันรู้ไว้อย่าให้มันหลงอย่าให้มันเมาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตให้กำหนดรู้เอาอยู่ในปัจจุบัน แล้วกับละอารมณ์อันเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้เมื่อเรากําหนดเพ่งเข้าไปหาความรู้สึกนั้นอา้าวมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ทําความรู้เท่าทุกขเวทนานั้นอทุกขเวทนาเหล่านี้มันเป็นอาการของขันห้าเมื่อขันห้านี่ยังมีอยู่ตราบใด ทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวท น, น, นานี่มันก็มีอยู่สาบนั้นแหละเอมันก็หมนเวียนกันไปนเวทนาสามนี่นะเดี๋ยวทุกดับไปสุขก็เกิดขึ้นมาแทนเดี๋ยวสุขดับไปอุเบกขาความเฉยๆความโลภ เ, เฉยๆก็เกิดขึ้นมาแทนนะ อันเมื่อเราละอารมณ์อดีตอนาคตแล้วเอาเพ่งดูในปัจจุบันนี้แล้วมันก็ปรากฏเวทนานั่นแหละให้เข้าใจ อ, อาถ้าจะแถมโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาเข้าไปอีกสองเป็นห้าก็ได้ก็จิตยินดียิง่งในอารมณ์ต่างๆาไม่ไม่เป็นอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคต มันก็ยินดียิ่งอยู่ในขันห้านี้เมื่อขันห้ามั น, น, มนสงบมันไม่วิบัตรริไรพวนอย่างนี้นะตนรู้สึกหอมยินดียิ่งในขันทางห้าอันนี้มันก็เป็นบ่อกเกิดแห่งตันหาประเภทหนึ่งเหมือนกันเป็นอย่างนั้น เ, เราเพ่งเข้าไปภายในเมื่อโรคภัยมันมี เพิโครคภัยมันวิบัติทําให้ร่างกายนี้วิบัติแปรปวนสัมผัสกับจิตนี้ก็เกิดความรู้สึกไม่สบายจิตขึ้นมาเกิดทุกเวทนาขึ้นอืมหายใจก็ไม่สะดวกเมื่อมันเกิดทุกเวทนาขึ้นมาหายใจฝืดอึดอัดอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อเราเพ่ง ขันห้าอันเป็นปัจจุบันอยู่อย่างเนี้เราจึงเรียนรู้ได้ว่าเรื่องของขันห้ามันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้แหละมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนดับไปทุขเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งทุกก็ดับไปแล้วทุกเกิดขึ้นมาแทนทุกตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วทุกก็ดับไป แล้วอุเบกขาก็เกิดขึ้นมาแทนอุเบกขาตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วดับไปสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เราพิจนารณาให้มันเห็นอไอ้ความสุขโสมนัสอย่างว่านเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดตัณหาราคะขึ้นมาในใจอย่าไปนึกว่าเป็นของดีเนี่ยต้องเตือนตอน มันมีความยินดีมากมันก็เกิดความกำหนัดอะไรต่ออะไรขึ้นมามันเป็นงนั้นถ้ามีความยินร้ายมากมันก็เกิดความทุทกโรมนัดทับแ้นใจเพราะมันไม่เป็นไปตามใจหวังทุกคนไม่ปาถนาที่จะให้ร่างกายอันนี้มันเป็นอย่างนั้น มันแปลปวนไปต่งางๆนานานี่นะแต่มันก็เป็นแบบ น, นี้บังคับไม่ได้ผู้ไม่รู้เท่าตามเป็นจริงก็โธมนัดคับแข้นใจอย่างแรงกล้าก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านสงบลงเป็นสมาธิไม่ได้นี่ท่านเรียกว่าติดความสุขแล้วก็ติดความทุกข์ทั้งสองอย่างแล้วก็ติดทั้งอุเบกขาไปด้ว ย, ยนี่ ในขณะที่มีความรู้สึกเฉยๆอย่างนี้ก็อนึกว่าตนสบายแล้วแล้วก็เผลอตัววะนี้นะเอะนิ่งนอนใจเมื่อรู้สึกว่าจิตตั้นเฉยๆอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ปัญญาใช้ควรพิจารณาอะไรออยู่ไปอยู่มาวะนี้เมื่อความรู้สึกเฉยๆเนะี่ยมัน หายไปดับไปอา้าวความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วความไม่สบายใจก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเมื่อจิตใจมันส ง, งบลงเป็นกลางอยู่แล้วก็ต้องรู้ทความรู้เท่าความเป็นกลางอันนั้นเพาความเป็นกลางอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยมันอาจ อ, อาจแปรพลนดับไปเมื่อไหร่ก็ได้ความเป็นกลางอันนี้นะเป็นงั้น เอา้าถ้าอย่างนั้นทําไมยังมาสอนให้ทําจิตให้เป็นกลางอย่างนี้นะคําที่ว่าทําจิตให้เป็นกลางนี่ไม่ได้หมายว่าทําใจให้เฉยๆอยู่นั่นนะหมายความว่าเมื่อทุขเกิดขึ้นมาก็ไม่ยินดีต่อความสุขนั้นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่ยินร้ายต่อความทุกข์นั้นความเจ็บความปวดอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่ดิน้นรน สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเออมื่อรู้แจ้งแล้วว่าร่างกายนี้มันต้องแตกต้องดับแน่นอนทีเดียวเอาความรู้อันไม่หวั่นไหวต่อความแปรปรวนของร่างกายนี้นะนี่แหละคำว่าทาจิตให้เป็นกลางนะให้เข้าใจมันต้องมีปัญญาประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกเป็นกลางอันนั้นนะต้องมีปัญญาประกอบอยู่ด้วย เนี่ยให้เข้าใจถ้าเป็นกลางอยู่เฉยๆไม่มีปัญญาประกอบอยู่ด้วยแล้วหน่อยหนึง่งพอามเป็กลางมันก็ลบเลือนไปอย่างที่ว่ามานั่นแหละใจกวันไว้ไปเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องดีเรื่องชั่วไปอยู่อย่างนั้นอืมตรงนั้นน่ะในชีวิตของคนเราเนี่ยก็มีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นแก่นนะ ลองคิดดูให้ดีเราจะเอาอะไรมาเป็นแก่นเล่ะในชีวิตนี้นี่ก็ต้องถามตัวเองดูให้ได้อืจะเอาตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรืออวัยวะร่างกายต่างๆหรือมาเป็นแก่นแห่งชีวิตอย่นี้คงไม่ได้แน่เพราะเรารู้อยู่แล้วนี่ ยิ่งผู้ที่เกิดมาหลายปีหลายเดือนมาแล้วอย่างนี้เ อ, อ่ร่างกายก็ซุดโทมลงไปเห็นได้ชัดๆอยู่แล้วนะแล้วอย่างที่ไปสําคัญว่าร่างกายนี้เป็นแก่นแห่งชีวิตได้อย่างไรอะ่ะเนี่ยกระทจารณาดูให้ดีอ่ะไอ้ส่วนดวงจิตเนี่ยคือความรู้สึกอ น, นี่ตั้าจะเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะมันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรเลย เราสังเกตดูไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะมันไม่รู้มเมื่อมันไม่รู้แล้วมันก็รู้สึกยินดีรู้สึกกินร้ายรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าโศกรู้สึกกวดกลัวอะไรต่ออะไรไปอยู่นั่นแหละเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งด้วยปัญญายานคือยังไม่รู้แจ้งในขันห้านี่ตามไปจริง มันก็มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปอยู่นั่นเลแต่ความยินดีเป็นต้นนะมันจะเป็นอาการของจิตเฉยๆไม่ใช่เป็นตัวจิตให้เข้าใจเมื่อเรารู้ตัวแล้ววันนี้ละความยินดีเป็นต้นตังกล่าวมานั่นเสียแล้วอารมณ์เหล่านั้นดับไปหมดแล้วเหลือแต่ความรู้อันเดียวตั้งอยู่ในปัจจุบัน เช่นนี้นะไม่งอนงงไม่คลอนแคลนไม่วันไหวต่อสุขต่อทุกต่อเรื่องอดีตอนาคตอะไรเลยอย่างเนี้ยเราจะได้เห็นว่าดวงกิดนี่แหละเป็นแก่นสารแห่งชีวิตนี่เราจะรู้ได้ตรงนี้เองนะถ้าผู้ใดยังปรงยังวางอารมณ์อันที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ เช่นนี้แล้วก็จะไม่เห็นแก่นแห่งชีวิตเลยเมื่อไม่เห็นแก่นแห่งชีวิตยอย่างนี้มันก็ไม่มั่นใจเลยแบบนี้ออมันก็โลเลแล้วแบบนี้เอ๊ะเราที่ไปหาความสุขได้ตรงไหนแบบนี้นะะมันมีสุขมาแล้วหน่อยหนึ่งแบบดับไปแบบทุกเกิดขึ้นมาแทนอยู่อย่างนี้ แล้วเราจะไปมีความสุขได้ตรงไหนบ่เนี้ก็ลังเลขึ้นมาแล้ววันนี้นั่นแหละให้พิจารณาดูตัวเองให้ดีแต่เมื่อต่อเมื่อผู้ใดมาใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้ปรงให้วางเรื่องอดีตอนาคตเรื่องปัจจุบันได้แก่ขันธ์ทั้งห้าอันเป็นปัจจุบันนี้ ซึ่งมันเกิดดับเกิดดับอย่างนี่ก็รปรงกันวางลงเนี่ยอย่าให้มันสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารอะไรเลยอย่างนี้นะเราปรงวางลงได้แล้วอย่างนี้เนะออย่างที่ว่ามาแล้วนะความรู้สึกคือดวงจิตเติมใจเดิมนี่มันก็บริสุทธิ์แล้วตอนนี้นะมันก็ผุดผ่องมันก็ตั้งอยู่โดยลําพังอ ไม่ได้อิงอาศัยอารมณ์อันเป็นอดีตอารมณ์อันเป็นอนาคตไม่อาศัยสุขทุกข์อันเป็นปัจจุบันนี่เรียกว่าลอยเด่นอยู่โดยลำพังไม่ติดไม่ค้องกับขันหานี้เหมือนน้าแค่ใบบัวหรือเหมือนใบบัว แค่อยู่กับน้ำน้ำซึมซาบเข้าสู่ใบบัวไม่ได้ฉันใดท่านผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่ติดไปข้องอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายดังกล่าวมานั้นก็ฉันนั้นแหละก็อย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจการที่ปฏิบัติทำในพุทธศาสนานี่นะมันเป็นสันติโก ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เองเห็นเองขึ้นมาด้วยตนเองใครไม่รู้เองเห็นเองขึ้นมาแล้วมันก็ไม่แน่ใจเลยไม่มั่นใจเราจะไปเชื่อตามแต่ผู้อื่นไปอย่างนี้มันไม่ทนทานหน่อยหนึ่งก็เหลวไหลไปแล้วความเชื่อนั่นอนะดังนั้นการปฏิบัติ ในพุทศาสนานี่ห้อยพากันกระทำความเพียรลงไปเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักแล้วพยายามปล่อยวางเรื่องอดีตเรื่องอนาคตให้มันระ ง, งับไปเรื่องอะไรก็ช่างไม่ถือเอาทัางนั้นเลยคดถือได้มันก็มนกไม่มันก็ไม่ได้อะไรนี่มันมีเกิดแล้วกระดับไปอยู่งั้นนะไม่เศร้าาจะไปถือมันไว้ทเสมออ่ะ ก็ต้องสอนตนอย่างนี้แหละอา้าปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันนะปัจจุบันนี้มันก็มีเกิดมีดับอยู่ขันทั้งห้าอันนี้นแะล้วจะไม่ถือเอาปัจจุบันนี่เป็นตัวตนก็ไม่ได้อืถ้าต้องให้เข้าใจอข้อนี้ต้องใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปเรื่อยๆเราจะไปสอนตัวเองนินดๆหน่อยๆแล้วจะให้ จิตใจมันตั้งมั่นไม่วันไหวต่อขันทั้งห้านี่ไม่ได้ต้องใช้อุบายปัญญาสอนเลื่อยไปแหละอสอนเลื่อยไปพระอรหันต์ทั้งหลายท่านภาวนาท่านก็ต้องตรวจการต้องพิจารณาธาตุสี่ขันหานี่ ให้เห็นแจ่มแจ้งลงไปงตามความเป็นจริงแล้วก็ท่านก็หยุดอยู่ด้วยความรู้เท่าท่านเรียกว่ามีความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ท่านผูกพงภาระอันหนักได้แล้วท่านไม่ต้องแก้ไขอะไรไม่ต้องปรับปรุง ความรู้ความเห็นอะไรให้แอบแจ้งขึ้นไปกว่าเดิมอีกไม่ต้องท่านผูร้รู้แจ้งท่านละอุปท า, านได้เด็ดขาดไปแล้วผู้ที่ยังละอุปท า, านไม่ได้โดยเด็ดขาดระได้เป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้จำเป็นมันตน้องได้ปรับปรุงจิตใจนี้เรื่อยสอนจิตนี้ไปเรื่อย ถึงรู้อยู่ก็ต้องสอนต้องเตือนตนอยู่เสมอรู้จริงอยู่แต่ว่ายังยังไม่เด็ดขาดยังละไม่เด็ดขาดหมายความว่างั้นนละละได้เึงนครั้งเป็นคราวดังนั้นวิมุตต่นท่านจึงจักไปเป็นสามประเภทเนละแต่ทงังคะวิมุตต จิตหลุดพ้นจากกิเลสไปเป็นขณะขณะไปอย่างนี้นะแล้วแล้วก็ถอนคืนมาอวิขัมภารวิบต د คือว่าจิตหลุดพ้นจากกิเลสไปได้ชั่วระยะหนึ่งเรียกว่านา น, านพอสมควร น, น, นัได้แก่จิตเป็นสมาธิอย่างนั้นได้แก่จิต บรลุฌานธรรมดาจิตบรลุฌานนี่ย่อมสงบอยู่ได้นานอันนี้ท่านเรียกว่าวิกขปนาวิมุตต์คือจิตสุดพ้นจากกิเลสไปในชั่วระยะยาวระยะหนึ่งสมุทเ ท, ทวิมุตต์คือจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสโดยเดชขาดโดยประการทั้งปวง เพื่อเป็นเช่นนี้จิตใจของท่านผู้หลุดพ้นจากกิเลสโดยเด็ดขาดอย่างนั้นกิเลสมันไม่ได้กลับคืนมารบ ก, กวนจิตใจอีกและใจก็ไม่ได้หลงสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเห็นอะไรรู้อะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรขี้ร้ายไม่มีอะไรน่ากเกลียดน่ากลัว ไม่มีอะไรที่จหน่าทุกข์เศร้าโศกเสียใจที่ไร้ลํำพันต่างๆความรู้ความเห็นของพระอราหันต์ทั้งหลายนะ่ะจึงเป็นปกติเสมอไปตลอดหรือเป็นความรู้ยิ่งความเห็นจริงโดยประการทั้งปวงแล้วไม่ถือมั่นอะไรอะไรทั้งหมดในโลก ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้